สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่ยาบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองหสิบหกเรื่องคำมริษฐานของพระเยซูครั้งที่สี่สิบเอ็ดโปรดประทานอาหารประจําวันการข้าไลยในการวันนี้พี่น้องครับเมื่อวานนี้เราจบอยู่ในช่วค อากโภชนะของพระเจ้าพี่น้องครับทรัพยากรในโลกนี้นั้นมีเพียงพอเพราะพระเจ้านั้นได้ทรงสร้างไว้และพระเจ้าได้บอกว่าให้มนุษย์นั้นขยายมีลูกมีหลานจนเต็มแผ่นดินพี่น้องครับทรัพยากรเหล่านี้นะครับมีครบถ้วนเพียงพอแต่สิ่งที่มาตัดทอนทรัพยากรเหล่านั้นก็คือผลที่เกิดขึ้นฝ่าย ผมอยากจะสรุปเจ็ดประการด้วยกันที่พระเจ้าจะเลี้ยงดูเราผ่านทางอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่วัดไซส์อะไรก็ตามที่เป็นกายภาพของเรานะครับเจ็ประการนี้ได้แก่หนึ่งเราต้องยำเกรงพระเจ้าเพราะถอดดีบทที่สามสิบสามข้อสิบแปดอกว่าดู 3, 3, 4, าดเถิดพระเนตรของพระเจ้าอยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงลงประการที่สองก็คือเราจะต้องมีความหวังใจในพระเจ้าพระบีบอกต่อไปว่า พระเนตรของพระเจ้าจะอยู่เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์ <conflict> เพื่อพระองค์จะชงทรงช่วยผู้จิตวิญญาณของเขาจากมรรคุราชเห็นไหมครับสองอย่างนั้นครับอย่างแรกคือยำเกรงพระเจ้าอย่างที่สองก็คือมีความหวังใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าประการที่สามครับวางใจในพระเจ้าสุภาสีบทที่สามข้อหานะครับจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าประการที่สี่ครับ ยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงประทําให้วิธีของเจ้าราบรืนครับในบทเดียวกันสุภาษิตบทที่สามข้อเก้าและข้อสิบเราเห็นประการที่ห้าจงสววยเกียรติพระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนพี่น้องเห็นไหมครับและประการที่หครับจงขอแล้วจะได้ในมัทิบทที่เจ็ดข้อทเจ็ด และประการที่เจประการสุด ท, ท้ายนะครับเรามั่นใจว่าพระบิดาของเรามวนสวรรค์ น, นั้นจะประทานให้อย่างแน่นอนในข้อที่9้าถึงข้อที่1ิบนะครับมั่นใจว่าพระเจ้ามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานของดีต่อผู้ที่ขอสอรงรั้งพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้พี่น้องทราบว่าเจ็ประการ น, นี้เป็นเจประการที่สําคัญครับเจประการ น, นี้สามารถที่จะสรุปใน ข้อความเดียวเท่านั้นอยู่ในมัททิวบทที่หข้อยีหาจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พี่น้องครับเรามาดูนะครับว่าการจัดเตรียมของพระเจ้านั้นออกมาเป็นสองวิธีครับวิธีแรกก็คือการจัดเตรียมแบบเนื้อธรรมชาติพระเจ้าได้จงโปรดประทานธรรมชาติให้กับเราหลายๆครั้งทีเดียวนะครับ มนุษย์ให้ทาลายธรรมชาตินั้นเสียแต่พระเจ้า ก, ก็ยังให้เหตุการณ์บางอย่างซึ่งเหนือความคาดหวังความคาดหมายเนือธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงดูประชากรของพระองค์ในพ่อพรมีพูดหลายอย่างนะครับยกอย่างเช่นน้ําที่เลี้ยงชาวอิสราเอลสองล้านคนขณะที่เดินอยู่ในถินทุรกันดารสี่สิบปีมาจากไหนครับมาจากทีลาครับมานาที่ตกประจยงฟ้านะครับเลี้ยงคนอิสราเอลสองล้านคน สีสิบปีมาจากไหนครับมาจากพระเจ้านี่คือหลักฐานของการเลี้ยงดูของพระเจ้าที่เนือธรรมชาติส่วนอีกวิธีการหนึ่งหรือช่องทางหนึ่งครับก็คือการที่พระเจ้าตอบสนองความต้องการของเราโดยผ่านทางคนอื่นๆคนของพระเจ้าอื่นๆครับหมายความว่าโดยผ่านทางพี่น้องที่รักพระเจ้าพี่น้องครับลูกของพระเจ้านั้นเราหน้าจะมีความคิดอันสูงส่งที่มองเห็น ค่าของเพื่อนมันด้วยกันนะครับเราจะต้องไม่สแสวงหาแต่เพียงการตอบสนองต่อความต้องการของตัวเราเองเท่านั้นแต่ต้องมองหาหรือสแสวงหาที่จะตอบสนองต่อความต้องการของคนอื่นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องของเรานี่ยครับเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวอย่างจริงๆที่เกิดขึ้นระหว่างโลกตะวันตก ศาสนานั้นได้วางรากฐานอยู่บนอยู่ในการเมืองการศาสนาความเชื่อความศรัทธามานับพันปีที่ศาสนาสอนให้ประเทศเหล่านี้เห็นคุณค่าของชีวิตตั้งแต่เริ่มก่อนตั้งประเทศจนถึงณปัจจุบันนี้ประเทศต่างๆเหล่านี้ทางตะวันตกยังมีความห่วงใยในเรื่องของความเสมอภาคเสรีภาพโอกาส รับ ค, ควรจะให้กับประชาชนของเขาพี่น้องครับการให้คุณค่าแก่ชีวิตนี้ได้มาจากไหนครับได้มาจากพระวจนะของพระเจ้าแต่ในแนวความคิดสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้อย่างเช่นพวกมนุษย์นิยมพวกเสรีนิยมทั้งหลายไม่ค่อยได้ให้สิ่งเหล่านี้กับเราทั้งหลายคนเหล่านี้มักจะลบล้างส่วน ของประชากร อ, อันไม่เป็นประสงค์ออกไปเช่นสนับสนุนให้คนทําแท้งนะครับสนับสนุนให้คนอย่าร้างกันสนับสนุนให้คุณทําอะไรก็ได้ให้มีเสรีภาพโดยที่เสรีภาพนั้นก็อาจจะทําลายชีวิตของคนอื่นได้หรือคุกคามต่อการมีชีวิตของคนอื่นได้ดีนะครับแนวคิดลัทธิ อ, ทอเทวนิยม ลัทธิต่างๆเช่นมนุษย์นิยมหรือลัทธิของการทําอะไรก็ได้ตามใจตัวเองหลงไปจากความเชื่อของเทวตียนและหลงไปจากความถูกต้องจากโจรณะของพระเจ้าแต่อย่างก็ตามครับแม้ว่าสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของที่เป็นเรียกว่าทางลบเนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถสั่นคลอนประสิทธิภาพอันเกิดจากการเห็นคุณค่าของมนุษย์ได้และการเห็นคุณค่าของมนุษย์เนี่ยเกิดมาจากโจรณะของพระเจ้าครับ ชัดเจนมากครับแม้ว่ายังมีคนมากมายที่ไม่ยอมรับประษาพี่น้องครับแต่ถ้าเราตั้งติให้ดีนะครับคิดถึงที่มาที่ไปเราจะเห็นอย่างชัดเจนแต่เปรียบเทียบกับประเทศทางตะวันออกของพวกเรานี้คนที่มีาศาสนาเยอะแยะมากมายแต่าศาสนาเหล่านี้นะครับเป็นาศาสนาที่มีเทพเจ้ญญาเยอะ ดูอย่างประเทศที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศไทยมีประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งครับเป็นต้นกําเนิดของศาสนาหลายศาสนาแต่ศาสนาหลักๆของเขานั้นที่สืบทอดมาได้ลดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ลงนะครับลดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ลงแตกต่างจากที่ได้ศาสนาเพราะเนื่องจากว่าพวกเขานั้น พวกเขาเชื่อว่าบรรดาพระของเท่ทน้หลายนนั้นเริ่มแรกแต่กางก็อกระทำความผิดบาปมาแล้วทั้งสิ้นมีความผิดจาริษยากันในระหว่างเทพในหมู่เทพต่างๆ จากชากรที่660ล้านคนในแต่ละปีมีคนตาย15ล้านนะครับคนตาย15ล้านแต่เกิดมากกว่าครับเกิดมากกว่าเกิด27ล้านนะครับเพราะฉะนั้นมีถึงเกือบครึ่งหนึ่งนะครับผนอัตราการอยู่อาศัยตามข้างถนนหรือพวกโฮมเดทนันก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆถามว่าสาเหตุของคนที่ไม่มีบ้านอยู่ เปิดอากเขาขาดแค่อาหารหรือเปล่าเปล่าครับเหตุผลที่แท้จริงก็คือพวกเขานับถือพระมากถึงสามร้อยสามสิบล้านองค์สามร้อยสามสิบล้านองค์นะครับพี่น้องเพราะแต่ละคนนั้นจะมีพระประจําตัวของตัวเองรองลงามาก็ยังมีพระที่อยู่ในรูปของอวอัวนะครับวัวนะ นะบรรดาพระรเทพที่อวตารลงมาเพราะฉะนั้นวัวจึงกลายมาเป็นสิ่งที่พวกเขานับถือทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากวัวรวมทั้งมูลของมันด้วยนะครับมูลที่ร่างกายขับถ่ายออกมาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับการฆ่าวัวและประทานเนื้อวัวจึงเป็นสิ่งต้องห้ามเลวร้ายยิ่งกว่าการกินเนื้อมนุษย์กั น, น, นกเองอีกแต่พี่น้องเพ่งรับทราบนะครับว่าวัวที่มีอยู่นั้น กินอาหารเป็นจํานวนถึง 20% ครับ 20% ของอาหารที่คนกินครับ 20% ของอาหารที่เลี้ยงดูคนทั้งประเทศได้มากยิ่งกว่านั้นอีกพวกเขาสร้างที่พักไว้สำหรับวัวแก่ครับวัวแก่ที่ไม่อาจให้นมแต่พวกเขาไม่ได้สร้างที่พักสําหรับคนแก่ครับสร้างที่พักให้กับวัวแก่แต่ไม่ได้สร้างที่พักสําหรับคนแก่เลย คนที่เจ็บแค่ได้ป่วยนะครับคนที่เป็นโรคเรื้อนก็จะถูกทิ้งไว้ยริมถนนนี่เป็นเหตุที่ทําให้เซนเทเรซ่านะครับแม่ชีเทเรซ่านั้นเห็นสภาพที่เกิดขึ้นท่านก็เลยต้องสละชีวิตของท่านทั้งหมดเพื่อที่จะดูแลคนโรคเรื้อนในการล้างแผลด้วยมือกล่าวครับขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีคนที่รักพระเจ้าเสียสละชีวิตของตัวเองพี่น้องครับ วัวแต่ลตัวนะครับวัวแก่แต่ะตัวเนี่ยจะกินอาหารขนาดที่เลี้ยงคนถึงเจ็ดคนเลยพูดง่ายๆก็คือวัวหนึ่งตัวครับกินข้าวกินอาหารเท่ากับคนเจ็ดคนกินครับพี่น้องมากยี่กว่านั้นอีกครับหนูครับพี่น้องครับหนูสิบห้าเปอร์ซ็นตของอาหารที่เลี้ยงดูคนทั้งปมะเทศจะถูกหนูกินครับแล้วก็ไม่มีใครกล้าฆ่าหนูเพราะเกรงว่า อาจจะไปฆ่าญาติของตัวเองเพราะในความเชื่อรักทีของเขานั้นคนคนหนึ่งจะหลุดพ้นได้ก็ต่อเมื่อสิ้นสุดการไปเกิดในชาติอื่นพวกเขาเชื่อว่าแต่ละคนต้องกลับชาติไปเกิดชาติแล้วชาติเล่าอาจจะเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านชาติก็ได้นะครับและเมื่อนั้นเขาแจกบรรลุถึงความว่างเปล่าหรือสูนยจะภาพเป็นศูนย์เรื่อกับสิ่งเหล่านี้นะครับทําให้ ประเทศนะครับหรือประชากรทั้งหลายเีย่ถูกลดคุณค่าของคนลงเองทีเดียวครับรับทีแบบนี้นะครับหากปราจากความเชื่อแบบเพ่อเียเข้าไปแก้ไขปราจากลิขรุ่นภาพของพระเจ้าที่ส่งผลกระทบนะครับผ่านทางผู้เชื่อพระเจ้าสู่สังคมการมองเห็นคุณค่าของมนุษย์นั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราอิจฉ า, าเผื่อคนในประเทศเหล่านั้น และรวมทั้งพี่น้องของเราด้วยเช่นเดียวกันครับเพื่อที่พระเจ้าจะโปรดปรอยและให้พระเจ้าจะประทานอาหารประจำวันกับพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวไทยทุกคนในวันนี้และตลอดไปอาเม่